บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเรื่องของไฟที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้นั้นทรงสแสดงไว้โดยอเนกกระปรียย้ยยคือในยะต่างๆในแง่ที่เป็นกลา ง, ก, ลางก็มีในแง่ที่เป็นคุณก็มีในแง่ที่เป็นโทษก็มี แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วทุกด้านทุกแง่ที่ส่งแสดงเอาไว้นั้นบุคคลผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับไฟจะต้องอาศัยสติปัญญาเป็นหลักทุกกรณีไปอย่างไฟอีกสามกองซึ่งถือว่าเป็นไฟสำคัญและมีอำนาจอิทธิพลครอบงำจิตใจของบุคคลทั้งหลายอยู่ในโลกนี้นั้น ก็ได้แก่ไฟที่ทรงแสดงไว้วารากักขิไฟคือราคะโทุสักขิไฟคือโทสะโมหักขิไฟคือโมหะอันได้แก่กิเลสสามกองใหญ่ซึ่งบางครั้ ง, บา ง, งบางคราวก็ใช้คําว่าโลภะโทสะโมหะบางครั้งก็ใช้ว่าราคะโทสะโมหะละักษณะของราคะกับโลภะนั้นมีลักษณะร่วมกัน เป็นอันเดียวกันแต่ว่าเน้นหมายไปในคนละด้านกันราคาได้แก่อาการที่จิตมีความกำนัดรักใคร ย, ยินดีในวัตถุกรามทั้งหลายได้ แ, แก่มีความรักใคร ย, ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะส่วนโลภะนั้นเป็นเรื่องของความอยากได้ถ้าถาม่าอยากได้อะไรก็อยากได้วัตถุกรามทั้งหาประการเช่นเดียวกัน จึงเป็นอาการที่สืบเนื่องกันของกิเลสทั้งสองฝ่ายนี้แต่ในฐานะที่ราคะหรือโลภะเป็นไฟกองหนึ่งละบรรดาไฟสามกองในชั้นของการปฏิบัติศึกษาสำเนียกจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็อาศัยพื้นฐานจะดิดอัตยาศายปรมีธธรรมของบุคคลที่จะเรียนรู้และหาความเข้าใจ ถึงโทษของไฟทั้งสามประการนี้ได้ว่าใครสามารถจะเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็สุดทรงแสดงในระดับที่ลดหลั่นกันลงมาโดยทั่วไปก็ ส, สอนให้รู้จักสภาวะของไฟทั้งสามกองนี้ว่ามีลักษณะเผาลนให้เกิดความร่ารรอนแผดเผาจิตสันดานของบุคคล เป็นเตเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์เป็นที่เกิดแห่งความทุกข์แล้วขั้งคนล้อมคนเอาไว้ในแวดวงของความทุกข์ตลอดถึงเป็นตัวนำบุคคลและสัตว์ทั้งหลายผู้ตายไปแล้วให้ท่องเที่ยวในสังสารทุกข์ซึ่งก็ได้แก่กินเลสทั้งสามประเภทนี้ แต่แม้จะมีทุกข์ในลักษณะต่างๆดังกล่าวก็ตามในชั้นของการปฏิบัติจริงๆแล้วบุคคลจะดับไปเลยนั้นก็เป็นไปไม่ได้ชั้นแรกก็ทรงสอนให้รู้ถึงสภาวะคือโทษของกิเลสเหล่านี้เสียก่อนเมื่อการสอนในรู้โทษของไฟที่เป็นกองหรือเป็นเปลวไฟเพื่อบุคคลผู้ใลเข้าไปเกี่ยวข้องรู้จักระมัดระวัง และพยายามที่จะควบคุมความรุนแรงของไฟเหล่านั้นเอาไว้เพื่อไม่้เกิดทุกข์โทษแก่ตนฉั้นได้ในกรณีที่จิตใจของบุคคลยังมีไฟคือราคะหรือโลภะอยู่ <c oughs> ก็ต้องรู้โดยความเป็นไฟโดยความเป็นโทษโดยความเป็นของร้อนถ้าหากว่าความรุนแรงด้วยเพลิงราคะหรือเพลิงโลภะเกิดขึ้นสูงความร่าเริงรุนแรงก็สูง ในชั้นหนึ่งจึงทรงสอนให้บุคคลเพียงแต่บันเทาความรุนแรงเท่านั้นคือจะให้รุนแรงมากจนเกินไปพระไรพระราคะที่ย้อมจิตหรือโลภะที่ย้อมจิตจนเกิดความรุนแรงขึ้นภายในใจนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะก่อให้เกิดความสายไปของจิตคืบคลานไปของจิตทรงอุปมาเหมือนกับไม้เครือเทาต่างๆ ที่จะมีการเลื้อยไปเรื่อยๆและจับเกาะสิ่งที่ตนเลื้อยไปถึงในขณะเดียวกันก็เลื้อยต่อไปอีกแล้วก็จับเกาะไว้อีกซึ่งในกรณีนี้บุคคลอาจจะดูพวกเถาทั้งหลายอาจจะเป็นเถาฟักเถาแฟงต่างๆเป็นต้นจะมีลักษณะอย่างนั้นวันการสายไปของกิเลสประเภทนี้เมื่อสายไปถึงจุดหนึ่ง ด้วยอำนาจความไข้ความปรารถนาความพอใจก็จะผลักดันจิตใจของบุคคลให้มุ่งไปเพื่อได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นพอได้มาแล้วก็จะมีความเพลิดเพลินชื่นชมยินดีอยู่ในจุดหนึ่งในขณะหนึ่งแล้วก็ผูกมัดรัดรึงเอาไว้ด้วยความเป็นของตนต่อจากนั้นก็จะสายไปอีกและจะผูกมัดรัดเรึงไว้อีก ดังนั้นกระบวนการความเกิดของกิเลสประเภทนี้จึงทรงแสดงไว้ในแง่ของความเป็นเหตุปัจจัยเพราะว่าการตามความเป็นจริงแล้วกิเลสกามทั้งหลายนั้นพวกวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายนั้นเป็นกลางๆคือไม่ดีไม่ชั่วด้วยตัวของมันเองทำนองเดียวกับมีดซึ่งก็เป็นกลางๆคนจะใช้ไปในทางไหนก็ได้ใชใ้เกิดประโยชน์ได้มากมายก็ได้ ใช้ไปในทางให้เกิดโทษก็ได้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่าอื่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมันขึ้นอยู่กับการใช้ของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัววัตถุเหล่านั้นแม้แต่ซ่อมที่ใช้รับประทานอาหารกันถ้าคนใช้ไม่เป็นก็อาจจะใช้ไปในทางฆ่าในทางทําให้คนอื่นบาดเจ็บก็ได้เรื่องของวัตถุทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันตัวเขาเองเป็นกลางๆ การเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของบุคคลกลายเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญว่าเราจะมีกา ร, ก, ารกำหนดหมายมีความรู้สึกต่อวัตถุเหล่านั้นในฐานะอย่างไรดังนั้นในชั้นหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าจึงสอนให้บุคคลพยายามกำหนดรู้ลักษณะของวัตถุเหล่านั้นและในขณะเดียวกันก็รู้ถึงสภาวะ ของกิเลสประเภทราคะหรือประเภทโลภะดังกล่าวแล้วเมื่อมองในแง่ของความเป็นจริงบังเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันในชั้นของการดำรงชีวิตบุคคลก็ยังตงต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านี้อยู่ทำอย่างไรจึงจะไม่ให้รุนแรงไม่ให้เป็นอันตรายก็มองย้อนกลับเข้าไปที่ไฟอีกครั้งหนึ่งก็จะพบว่าไฟนั้น มีจุดที่เป็นประโยชน์และมีจุดที่เป็นโทษความเป็นโทษของไฟก็อยู่ในกรณีที่เราไม่อาจจะควบคุมความรุนแรงของแก่ได้ความร่าร้อนของแก่ได้แต่ความเป็นคุณก็คือการที่เราควบคุมความรุนแรงแก้ไปได้แล้วก็ใช้ไปตามใช้ไฟไปตามวัตถุประสงค์ของเราได้แล้วก็อิงอศาศัยไฟกันอยู่ไฟจึงมีคุณอานันต์และมีโทษมหันต์อยู่ในตัวของมันเอง ปัจจัยสำคัญจึงอยู่ที่ใช่เป็นหรือใช้ไม่เป็นเกี่ยวข้องโดยเหตุผลสติปัญญาหรือเกี่ยวข้องโดยการขาดเหตุผลสติปัญญาทอนนั้นดังนั้นพวกวัตถุทั้งหลายในโลกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าหากว่ากิเลสประเภทราคะที่บางเกิดขึ้นภายในจิตใจขาดการควบคุมไปกําหนดหมายจนสายไปไม่มีข้อยุติมันก็เกิดเป็นปัญหาพาะเราคุมแกไม่ได้ แต่ถ้าหากว่าเราคุมแก่ได้จะควบคุมในชั้นของการใครก่กระปรารถนายินดีต้องการตลอดถึงการสแสวงหาให้อยู่ในขอบข่ายของความดีงามหรือศีลธรรมหรือสมาชีวะอย่างที่พูดกันและปัจจัยตัวการสำคัญนั้นจึงมีทั้งภายในและภายนอกภายในนั้นเป็นตัวกระตุ้นตัวการสำคัญก็อยู่ที่ภายในคือเชื้อของกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในใจ ในกรณีกิเลสสายราคะคือรูปไฟสายราคามันก็เริ่มมาจากกรมธาตุคือเชื่อการกําหนดว่าน้าใครหน้าปรารถนาหน้าพอใจในวัตถุทั้งหลายค้อ น, นี้สังเกตว่าการกําหนดวัตถุจนวัตถุเหล่านั้นมีอิทธิพลเหนือใจคนนั้นเป็นการค่อยๆกําหนดไปเรื่อยๆความต้องการความปรารถนาวัตถุการมทั้งหลายของบุคคลจึงไม่เหมือนกัน เพราะใจคนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวัตถุนั้นไม่เหมือนกันความรุนแรงในการกำหนดหมายความต้องการทุกอย่างก็ไม่เหมือนกันแต่การที่เกิดการกำหนดหมายขึ้นมาในลักษณะนั้นได้ก็เพราะมีเชื้อของธาตุหรือกรมธาตุหรือเชื้อของโลภะนั่นเองที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลติดอยู่ในจิตสันดานของคนข้ามภพข้ามชาติมาอย่างที่ ทรงแสดงลักษณะของจิตประการหนึ่งว่าสั่งสมจิตสันดานไว้คือหมายความมาเก็บเชื่อทั้งดีและไม่ดีเอาไว้ภายในใจเชื่อดีเราเรียกว่าบารมีเชื่อไม่ดีเราเรียกว่าอาสวะก็เก็บหมักหมมเอาไว้กลายเป็นธาตุธาตุจึงมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีธรรมธาตุก็มีอธรรมธาตุก็มีคือเชื่อธรรมะก็มีเชื่อของอธรรมก็มีในขนาดเดียวกัน ในขณะที่มีเชื้อของกามธาตุอยู่เพื่อก็มีเชื้อของเนคขมธาตุคือเชื้อความยินดีที่จะออกจากอำนาจของวัตถุการมเหล่านั้นปนัญหาสำคัญมันอยู่ที่ว่าเชื่ออะไรมีมากกว่าภายในจิตสำนึกของบุคคลนั้นประการหนึ่งอีประการหนึ่งในชีวิตประจำวันนั้นบุคคลรับเชื่ออะไรบวกเข้าไปมากกว่ากันตั้งแต่และขวายก็พร้อมที่จะได้พลังเพิ่มเติมจากขวายขางตนเอง นั้นนันในชั้นของการปฏิบัติแม้แต่สูงขึ้นไปเราจะพบว่าพระรีเจ้าบางประเภทที่ท่านเรียกว่าปัจฉิมพะวิกษสัตว์หรือสัตว์ที่จะเกิดในภพชาติสุดท้ายนั้นมาดูรายละเอียดแล้วจะมีอยู่สองประเภทด้วยกันประเภทแรกคือธรรมธาตุนั้นมีเชื้อสูงแล้วครอบงำบันดาอธรรมธาตุเอาไว้คือเชื้อของธรรมแม้จะมีก็มีกำลังน้อยไม่สามารถครอบงำจิตใจของบุคคลได้ เชื้อบวกในแต่ละวันนั้นเขาได้เพิ่มในส่วนที่เป็นธรรมะมากขึ้นตอนเหล่านั้นก็บรรลุมรักผลได้รวดเร็วตกลุ่มหนึ่งนั้นเชื้อของธรรมะก็มีอยู่มากอยู่ในจุดที่จะบรรลุมรักผลได้แต่พอดีเชื้อบวกประจำวันคือในชีวิตประจำวันตาเห็นหูได้ยินจมูกสูดดมลิ้นลิ้มกายถูกต้องนั้นมันกลับเป็นเชื้อที่จะเพิ่มสัส่ขึ้นภายในใจ เมื่อเพิ่มเชื้อใหม่ขึ้นมาในลักษณะที่ตรงกันข้ามกับธรรมะมันก็ค่อยๆสลายความดีจนในที่สุดท่านก็เสื่อมจากอริยผลที่ควรจะได้ควรจะถึงซึ่งก็มีบุคคลประเภทนี้อยู่เป็นอันมากในสมัยพุทธกาลดังนั้นประการสำคัญจึงอยู่ที่เชื้อภายในกับเชื้อภายนอกดังกล่าวเชื้อภายในที่แกมีอยู่ภายในนั้นในกรณีของราคะโลภ ก็จะมีการกําหนดหมายวัตถุบุคคลสิ่งของเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ่ว่าน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจอจะมีการจำอารมณ์เหล่านั้นว่าอารมณ์นี้น่าใคร่น่าปรารถนาน้าพอใจได้ยินก็เกิดความใคร่ความปรารถนาได้เห็นก็เกิดความใคร่ความปรารถนาได้ถูกต้องก็เกิดความใคร่ความปรารถนาแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นเพิ่มเชื้ออยู่ตลอดได้ ต่อไปก็จะเป็นยังไงก็ ใ, ใจก็จะเกิดความกำหนัดยินดีในอารมณ์เหล่านั้นแล้วนี้เป็นเรื่องของความคิดที่อยู่ภายในทั้งหมดไม่ได้ออกมาข้างนอกแต่อย่าลืมว่ามีความรุนแรงเพิ่มขึ้นโดยลาดับภายใ น, ในจิตใจมีความเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดความเร้าร้อนแล้วก็สายไปข้างจิตสูงขึ้นเมื่อกำหนดหมายมาข่ามาคิดถึงคิดแล้วคิดอีกในชั้นนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงการบรเทา เ, าเอาไว้จะเรียกว่า กุศลแลิทกคือการพยายามที่จะบรรเทาความรู้สึกรุนแรงเพราะความต้องการความปรารถนาเหล่านี้เกิดขึ้นจากความคิดของคนอย่างที่พระพุทธเจ้าเมื่อทรงศัสรุใหม่ๆได้รับสั่งเป็นทํานองอุทานว่าดูก่อนการบัดนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดํารินี้เอง พฤกษามนั้นเป็นความดําริของคนซึ่งก็หมายความว่าความใคร่ความปรารถนายินดีในอารมณ์ต่างๆนั้นอยู่ที่ใจไปกระซิบกรใจไปคิดคิดแล้วคิดอีกบางครั้งที่ท่านใช้คำว่าชับป่าคือผู้กระซิบใจกำหนดแนวเดียวเท่านั้นเองน่าคล้ายน่าปรารถนาหน้าพอใจกำหนดอยู่เรื่อยๆอย่างนี้และในที่สุดก็จะเกิดเป็นความเร่าร้อนที่เรียกว่าปริลาหคือเกิดความเร่าร้อน พอร้อนมากเข้ามากเข้าก็คุมไว้ไม่อยู่แล้วใจก็จะเริ่มสายออกไปอุปมาเหมือนอะไรอุปมาเหมือนคนที่นอนถูกความหิวเสียแทงจะชอบนอนยังไงก็ตามพอถูกความหิวเสียแทงมากแกก็ต้องขยับตัวต้องลุกขึ้นต้องแสวงหาต้องคนจริงที่จะมารับประทานบรรเทาความหิวของตนหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ตอนนี้ท่านอุปมาเหมือนอสรพิษหรือ ง, งูซึ่งปกติแล้วจะอยู่ด้วยอิริยาบถนอนมากที่สุดแต่พอถูกความอยากเสียแทงแกแกจะเริ่มขยับขนดขยับไปแล้วอาจจะบิดขี้เกียจอยู่ระยะหนึ่งแต่พอหิวเสียแทงมากข้าวก็จะขยับตัวศีรษะก็จะสายหาอาหารแล้วเลื้อยไปในสถานที่เหล่านั้นการสายไปนั้น ก็มีความเปลี่ยนแปลงทางจิตกำหนดสิ่งที่จะกินที่จะฉกเอามาเป็นอาหารของตนแต่ในแง่ของความคิดคนท่านเรียกว่าชับป่าคือกระซิบใจอันนั้นสวยนั้นไพเราะนั้นหอมนั้นอร่อยนั้นน่าจับต้องไปต้นมีการกระซิบใจซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งซึ่งเกิดขึ้นทุกขณะแล้วก็ฉี่ยิบใ น, ในที่สุดก็จะเป็นยังไงก็ก็เลื่อยไปเรื่อย พอไปเห็นอะไรก็กำหนดว่านี้อร่อยก็จะฉกเอาหารแถวนั้นพอข้าวไปในปากก็กลายเป็นความยึดว่าเป็นของเราตอนนี้ถ้าใครเกิดมาแย่งก็จะมีการต่อสู้กันปราดประหานกันจนบางครั้งบางคราวก็บาดเจ็บไม่คุ้มกับสิ่งที่ไปยื้อแย่งกันแต่นี่เพราะอะไรเพราะความรุนแรงของกิเลสแล้วคุมไม่ได้แล้วกิเลสมันเกิดคุมคนนะหรือคุมสัตว์ล่านั้นแล้ว ลักษณะทางอารมณ์ก็เหมือนกันเพราะเกิดร้อนขึ้นมามันก็เกิดสายสายก็จะมีการสแสวงหาสแสวงหาไปถ้าหากว่าความรุนแรงของกิเลสคุมไว้ไม่ได้การสแสวงหาก็จะออกมาในรูปของทุจริตจึงจะเห็นได้ว่าการกําหนดหมายจนออกมาในรูปของการสแสวงหาและออกมาในทางทุจริตนั้นคนจะมีเหตุผลในการสแสวงหาน้อยลง แต่มุ่งแต่จะได้มุ่งแต่ผลประโยชน์เพื่อตัวเองบางครั้งบางคราวที่รุนแรงการสแสวงหาเพื่อสนองตอบความต้องการของตนบางจั่จนถึงกับมีการฆ่ามีการทำลายล้างมีการประทุษร้ายกันอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมหาทุกข์ขันธ์ที่สุอทรงชี้เห็นถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนพราศัยแรงผลักดันของกิเลส พอเริ่มประกอบกิจการงานมันก็สร้างเหตุแห่งทุกทุโทษด้วยประการต่างๆพร้อมที่จะทําลายทุกคนทุกสิ่งที่ขวางหน้าตนขัดผลประโยชน์ตนบางครั้งบางคราวก็รุนแรงออกมาเป็นสงครามเป็นการรบกัน ร, ระหว่างกลุ่มคนต่อกลุ่มคนระหว่างประเทศต่อประเทศระหว่างค่ายต่อค่ายนั่นคืออะไรคือแรงปรารถนาเกินส่วนที่มีอยู่ภายในจิตใจของผู้ควบคุมผู้บงการเรื่องราวเหล่านั้น ดังนั้นกิเลสประเภทนี้ศาสตร์ใดที่ยังไม่บรรลุอนาคามีดังนั้นก็ยังละไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนในชั้นของการบันรทิความรุนแรงของกิเลสเอาไว้คือพยายามที่จะควบคุมความต้องการความปรารถนาที่เกิดขึ้นภายในใจไว้อย่าให้เกินส่วนอย่าให้ล้นทะลักออกไปถ้าเป็นเช่นนี้ได้จิตใจของบุคคลก็จะสงบลงเวรภัยก็จะสงบลง ในชั้นหนึ่งบางครั้งเป็นความศูนย์เปล่าของชีวิตคือใจไปคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องที่ผ่านมาแล้วเรื่องที่ยังไม่มาก่อให้เกิดความไม่สงบบางครั้งบางคราวก็นอนไม่หลับในชั้นนี้ก็ส่งสอนด้วยการบรรเทาอากุศลนิตุกที่บางเกิดขึ้นในแนวทีเ่เคยแสดงถึงธรรมะรูปของเก้าอี้นิรภัยที่ทรงแสดงว่าพิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่ง พิจารณาแล้วเว้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วปดกลั้นของอย่างหนึ่งซึ่งก็หมายความว่าในกรณีของปัจจัย4นั้นเรายังต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ปัจจัยสี่แก้ปัญหาด้วยในขณะเดียวกันก็สร้างปัญหาด้วยวิธีที่จะไม่เกิดปัญหาก็คือว่าต้องพิจารณาแล้วจึงบริโภค ป, ปัจจัยสี่ในกรณีของการกระทบกระทั่งจากภายนอกบางอย่างนั้น บางอย่างมันก็ไม่มีปัญหาแต่บางอย่างมีปัญหาในกรณีอารมณ์ใดเรื่องราวใดที่จะมีปัญหาก็ส่งสอนให้อุดกันความคิดความอ่านบางอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้ก็มีปัญหาแก่ใจก็ส่งสอนให้บรรเทาความคิดเหล่านั้นแต่สําหรับอกุศลทุจริตเป็นนั้นมากที่เป็นทางแห่งเวรแห่งภัยแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนก็ส่งสอนให้พิจารณาโดยความเป็นโทษแล้วบรรเทาความคิดรุนแรงไปตามอํานาจอากุศลเหล่านั้น แล้วละความคิดที่เป็นไปตามอำนาจอากุศลดานั น, นซึ่งก็หมายความว่าชั้นของอกุศลวิตกก็ทรงสอนให้บรรเทาความรุนแรงแต่ถ้าหากว่าบรรเทาไม่อยู่เพราะความรุนแรงแกก็มากเนื่องจากกิเลสประเภทนี้อาการที่เป็นโทษภัยนั้นดูได้ยากคือไม่ปรากฏแก่จิตใจของบุคคลที่ไม่ค่อยจะใช้เหตุผล เพราะเป็นแนวดิ่งของใจที่มุ่งไปในอารมณ์น่าคลายน่าปรารถนาน่าพอใจตามสูตรเพราะในการเห็นทุกโทษในแนวนี้จึงเห็นได้ยากเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะทุกสลับสุขพลุกพร้ากันไปคนเราก็อยู่ในวิสัยที่จะทนได้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้บุคคลพยายามใช่เหตุผลมาโดยลำดับในชั้นหนึ่งถ้าแกเกิดมีปัญหาขึ้นม า, มากก็ใช้ทาความสงบความคิด ในแนวของกรรมฐานอย่างที่ปฏิบัติกันซึ่งการเลือกอารมณ์ปฏิบัตินั้นจะใช้อารมณ์ข้อไหนก็ได้แต่ประการที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมุ่งให้เกิดความสงบเพราะอะไรเพราะรับเป็นลักษณะของใจที่มันตรงกันข้ามนั้นเองใจที่สายไปในอารมณ์เรื่องหน้าของราคะหรือโลภะนั้นเป็นใจที่ไม่มีความสงบ แต่ว่าสมาธิเป็นตัวความสงบเพราะฉะนั้นลักษณะทั้งสองประการนี้จึงเกิดร่วมกันไม่ได้คือยามใดที่ใจสงบยามนั้นจะไม่มีนิวรณ์ประเภทกามฉันเกิดขึ้นซึ่งกิเลสประเภทกามฉันก็คือแรงดันของราคะโลภะแต่ยามใดที่ยังมีราคะมีโลภะอยู่ภายในใจแม้จะเบาบางประเภทที่เรียกว่ากามชาชันก็ตามสมาธิก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นในชั้นของสมาธิเอง จะต้องบรรเทาราคะบรรเทาโลภะราคะโลภะในสมาธินั้นในกรณีอะไรในกรณีของการไข ว, ขว่คว้าการปรารถนาซึ่งจะพบว่าในเชิงปริยัติก็คือเรื่องของปริยัติที่จะต้องมีอถาธิบายไปโดยลําดับขั้นตอนแห่งปริยัติแต่ในชั้นของการปฏิบัติคือการปฏิบัติเป็นการค่อยเป็นค่อยไปค่อยทําไปโดยลําดับ มันเหมือนอะไรมันเหมือนกับแบบแปนแผนผังที่จะสร้างอาคารนั้นนั่นคือแบบแปลนแผนผังแต่ว่าเวลาทาก็เป็นการทาไปตามขั้นตอนไม่ใช่ไปเร่งรัดให้เป็นไป ป, ปปรับปรับอย่างนีรมิตรมันเป็นไปไม่ได้คือค่อยเป็นค่อยไปตามสาัดตามส่วนของสิ่งเหล่านั้นผลต่างๆจะเกิดขึ้นในแง่ของธรรมชาติอย่าลื ม, มาการปฏิบัติในด้านจิตใจก็คือเหตุผลของธรรมชาติ ที่จะต้องเดินไปตามวัดตามจังหวะจากโคนของธรรมชาติตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติความสงบถ้าแก่จะเกิดแกก็เกิดนิมิตถ้าแกจะเกิดแกก็เกิดหรือแม้แต่พวกสมาธิปีติสุขเป็นต้นถ้า แ, ก, ก, แ ก, ก่จะเกิดแก่ก็จะเกิดเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมแก่ก็จะเกิดแต่ถ้าหากว่าราคะโลภยังมีอยู่ในชั้นของการปฏิบัติก็จะสายจะขวอยควา้าจะปรุงคิดจะคิดปรุง เพื่อมองเห็นเป็นนิมิตอย่างนั้นอย่างนี้ตามตำหรับตำราทิพวาไว้ตำรานั้นท่านแสดงผลแต่ว่าในขั้นของการปฏิบัตินั้นท่านแสดงเหตุซึ่งจะประกอบเหตุตามสัสดส่วนแล้วผลก็จะเกิดขึ้นแต่นั้นปัญหาในการปฏิบัติก็มีเพราะอะไรเพราะความใคร่ความอยากได้ความยินดีในสิ่งที่เรียกว่านิมิตบ้างในสิ่งที่เรียกวา่าปีติบ้างสุขบ้าง ซึ่งแน่นอนผลเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แต่จะต้องเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราเองเราไม่สามารถสร้างผลเหล่านั้นให้เกิดขึ้นด้วยตัวเองแต่จากการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละจะสร้างเป็นรูปของนิมิตเป็นรูปของปีติเป็นรูปของความสุขขึ้นมาเหมือนกับการปรุงอาหารเราก็นำเครื่องปรุงต่างๆเข้าไป แต่ว่าอาหารจะเป็นยังไงจะเป็นรสอย่างไรนั้นอยู่ก็สัดส่วนของสิ่งเหล่านั้นที่จะมาผสมคลุกคล้ากันเมื่อถึงคราวแกจะออกมาในลักษณะไหนแกก็ออกมาในลักษณะนั้นตามสัดส่วนที่เข้ามาผสมกันหรือพืชพันธุ์ธัญญาหารก็มีลักษณะอย่างนั้นไฟประเภทนี้จึงเป็นไฟที่บุคคลจะต้องเกี่ยวข้องแต่ในขณะเดียวกันก็ส่งสอนให้บรรเทาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการในการบรรเทากิเลสมันก็เหมือนกับหลักการทั่วๆไป เรจะพูดโดยสำนวนของวิชาการก็คือประการแรกต้องมีการป้องกันประการต่อสองต้องมีการบำบัดการที่สามต้องมีการพัฒนาประการที่สี่ต้องมีการรักษานั่นก็คือหลักอะไรหลักที่ตรงใช้คำว่าอินซีสนนังวรคือการสํารวมระวังอินรีเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นอย่าไปกาหนดหมายในแนวของการเพิ่มเชื้อราคะมากเกินไป เมื่อสัมรวมระหว่างได้ในส่วนนี้ก็ชื่อว่าเป็นการทํางานในด้านป้องกันแต่ในขณะเดียวกันทันมารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจมีการกําหนดหมามีการไข ว, ขว้คว้าปรารถนารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆภายในใจคนก็ส่งสอนให้บําบัดขจัดความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้แต่ถ้าทําเพียงเท่านั้นใจก็ยังไม่มีหลัก จึงทรงสอนให้พัฒนาใจด้วยระบบของศีลสมาธิปัญญานั่นเองเมื่อพัฒนาไปได้ในจุดใดแล้วสัมผัสผลในระดับใดแล้วก็พยายามรักษาคุณภาพจิตของตนเอาไว้ด้วยการกระทาอย่างนี้บุคคลสามารถที่จะเกี่ยวข้องกับไฟเหล่านั้นได้แม้จะยังละไม่ขาดแต่ก็สามารถควบคุมทิศทางของไฟความรุนแรงของไฟและใช้ประโยชน์จากไฟได้ เป็นชั้นของการครองเรือนครองสุขกในระดับหนึง่งเป็นการหาความสุขในทิฏฐธรรมด้วยความสงบใจจากอารมณ์อันเป็นข้าศึกต่อจิตใจโดยสายหลักการปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาหรือหลักของสมาธิแต่การจะนั่งสมาธิตามรูปแบบตามพิธีกรรมต่างๆที่ประพฤติปฏิบัติกันนั้นโอกาสบางครั้งก็ไม่ค่อยจะอํานวยให้ ปัจจัยที่สําคัญในการปฏิบัติจึงต้องมีสติระลึกรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าอารมณ์อะไรก็ตามที่จะเป็นเชื้อให้เก็บไฟได้ก็พยายามบรรเทาความรุนแรงของอารมณ์เหล่านั้นตัวการที่สําคัญก็คือสติสัมปชัญญะสตินั้นทําหน้าที่ระลึกได้ระลึกทันนึกได้หรือนึกออก ในขณะเดียวกันด้วยกําลังของสติที่เพิ่มขึ้นก็นจะปิดกั้นกระแสของอารมณ์ไม่ได้อย่างที่ท่านอาชิตมานพได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นเครื่องข้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นความอยากเอาไว้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสติจะเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นความอยากเอาไว้และความอยากนั้นจะสามารถบรรเทาด้วยอะไรละได้ด้วยอะไรทรงแสดงว่าจะละได้ด้วยปัญญา แต่ในชั้นของบรรเทาก็ต้องใช้สติปัญญาซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้มากก็คือในชีวิตประจำวันเพราะสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเองที่ผ่านมาทางตาหูจมูกเลี้ยงกายใจของบุคคลจะกลายเป็นตัวแปรให้เกิดความส ง, งบหรือไม่ส ง, งบเพระถ้าหากว่านาเชื้อของราคะเข้ามาสู่จิตมากหรือเชื้อของโทสะโมหะก็เหมือนกันเข้ามาสู่จิตมากแล้ว มันจะลดความเข้มข้นของธรรมะที่เป็นบา ร, รมีธรรมอยู่ภายในจิตใจของบุคคลไม่ต้องกล่าวถึงสามั ญ, ญชนทั่วไปหรอกแม้แต่คนระดับที่มีอุปนิสัยบา ร, รมีได้สร้างสมบรูรณ์มาในดิตการเป็นนันมากอยู่ในจุดที่เป็นพระริยาบุคคลได้ก็สะก็เสื่อมจากผลที่ตนจะพึงได้เพราะไปรับเชื้อในทางเพิ่มกิเลสขึ้นดังนั้นการสำรวมระวัง ในการดำงรงชีวิตทุกขั้นตอนโดยอาศัยสติสัมปชัญญะเป็นหลักคุ้มครองใจจึงเป็นปัจจัยในการที่จะป้องกันในการที่จะบําบัดในการที่จะพัฒนาและรักษาคุณภาพจิตของบุคคลเอาไว้ไม่ให้ถูกแผลด้วยไฟของกิเลสมากเกินไปสามารถทำใจให้ประสบความสุขความสงบได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตน ต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป